แล้วก็เท้าสักกะองนี้เนี่ยถือว่าเป็นพวกมีบุญเป็นผ้าอริยะประเภทยินดีในวัตฏะพวกนี้จะค่อยๆเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆจากดาวดึงญามาดุสิตนิมานารดีปรนิมิตตวัสวัสดีไล่ไปพรหมโลกเกือบทุกชั้นน่ยนนท์ไปปรินิพานที่อาักก า, านิตตภพบเนี่ยนะกว่าเป็นพวกเทวดาที่เพลิดเพลินในวัตฏะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอนาถก็เหมือนกันนางวิสาขาก็เหมือนกันแต่พวกนี้ทําบุญมากจริงๆเลยนะ ทำบุญมากถึงขนาเรียกว่าถึงจะอยู่นานแต่ก็อยู่แบบสบายเนี่ยนะเพราะไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์โลกไม่ต้องมาทํามาหาเลี้ยงชีพะนะไม่ต้องมาต้องมาทํางานเหน็ดเหนื่อยอะไรนี่ไม่ต้องแล้ไม่ต้องมาป่วยเจ็บป่วยโยครคภัยไข้เจ็บมันก็จะอยู่อย่างสบายเนี่ยนะยาวแต่ก็จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นเป็นพระอรหันต์ปริณิพานที่ชั้นสุดทาวาสนะก็จะมีนางวิสาขามีนาถปิณฑิกาเศรษฐีมีเท้าส ก, กัดเนี่ย กลุ่มเราเนี่ยมีบุญมากจริงๆเนี่ยนะพันพวกภาริยะที่ประเภทยินดีในวัตตะแต่โดยมากไอ้พวกยินดีในวัตตะก็ไม่ได้เป็นอาริยะไอ้พวกที่เป็นอาริยะโดยมากก็ไม่ยินดีในวัตตะแต่เท้าสักกะนางวิสาขาเป็นต้นนะพวกเนี้ย คนนี้จึงน้อมไปในเรื่องทานมากนยะยินดีในเรื่องการให้ทานให้ทานเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะสงเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นพวกนี้ถือว่าเป็นความสุขดังยิงง่งเนี่ยนะฟังธรรมก็ชอบแต่ว่าชอบสองเคราะห์คนอื่นมากยินดีในการให้ทานเลี้ยงอย่างอนาถนางวิสาขาเนี่ยทาบุญเลี้ยงพระวันละเป็นพันพันรูปก็ไม่รู้สึกเต็มอิ่มไม่รู้สึกพอไม่เบื่อไม่หน่ายก็ทําไปแล้วก็ชอบฟังธรรมด้วยนะชอบฟังธรรมชอบทําบุญแล้ว ก, ก็ก็คนมีบุญอะ่ะ มันก็ไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์นะถึงเดือดร้อนก็มาสามารถที่จะทำมาค้าขายก็มีทรัพย์มาทำบุญต่อไปนั้นก็อย่างว่าในโลกเนี่ยโดยมากก็ถือว่าสมบัติของคนมีบุญอย่างแผ่นดินทั้งหลายมันก็สมบัติของคนมีบุญใครมีบุญคนนั้นก็ ได้อยู่ตรงนั้นไปได้ใช้สอยไปใครหมดบุญก็เขาก็ขับนี้ออกไปเนี่ยนะมันก็โลกของผู้มีบุญอย่างเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเทวดาที่มีบุญมากเขาก็อยู่ในเทวดาแล้วก็เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆสบายแต่ถ้าพวกเทวดาบุญน้อยละ่ะดีก็เป็นเทวดา3วันบ้างเจ็ดวันบ้างเนี่ยนะก็ตายแล้วคือเทวดาเนี่ยเขาอายุยืนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าอยู่ทุกคนเทวดาทุกท่านอายุยืนหมดไม่ใช่ มันแล้วแต่บุญน่ะก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยแม้อยากจะนอนอยู่โรงแรมดูสิทธิ์แม้นดีเหลือเกินเนี่ยนะอยู่ดูสิทธ์จะอยู่ได้สักกี่คืนเนาะต้องอยู่ห้องพิเศษด้วยนะชั้นพิเศษห้องพิเศษเนี่ยอยู่ได้กี่คืนดีเอาทุนเท่านี้มันก็ตามราคาราคาที่มีอยู่มั้งฉันใดการเกิดในสวรรค์ทั้งหลายก็กอยู่ในสวรรค์เนี่ยอยู่ได้นานบางคนเขบอกว่าเกิดในสวรรค์บอกว่าเขามาไม่ว่าหรอกเขมาเชื่ อ, าอาคุณทําบุญไปอาจจะไปเกิดในสวรรค์เชื่อจริงแต่ก็ถามแต่ว่าคุณไปอยู่ในสวรรคค์ุณไไปออยู่ทําะ ตามน้ำหนักบุญเนี่ยมันได้มีกี่วันอ่ะนะก็เหมือนชายบ้านนอกคิดว่าจะไปเที่ยวกรุงเทพจะมาเช่าแหมโรงแรมชั้นดีเลยเนี่ยนะมันอยู่ได้คืนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะัมีค่าอาหารพอว่า เ, เขาก็ไล่ออกแล้วเนี่ยนะก็คือบุญคนบุญน้อย ก, ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่าบุญไม่มากคําว่าบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเลขทางทางทา ง, ทางรูปธรรมอ่ะ น, นะแต่น้ําหนักของกุศลจิตเนี่ยแน่นหนาขนาดไหนเนี่ยนะพอที่จะมีเรี่ยวมีแรงมีแรงส่งขนาดไหน คือกุศลจิตหนาแ น, น่นขนาดไหนที่จะไม่เดือดร้อนเพราะถามว่าถ้าหมดบุญจากสวรรค์ไปไหนต่อถ้าเทวดาผู้มีบุญจริงๆเนี่ยนะก่อนตายจากสวรรค์เขาก็นึกถึงบุญของเขาแล้วเขาตอไปได้แต่ถ้าคนทําบุญมาน้อยนึกถึงอะไรดีเนีย่ยนะก็นึกถึงนอย่างก็นึกถึงคู่เวรคู่กรรมอะไรกันเนี่ยไปนะอย่างเนี้ยไปเะกันนีมันก็ต้องอเรื่องของสภาพจิตเนี่ยต้องระมัดระวัง สร้างฐานให้กุศลจิตให้ดีๆเนี่ยนะทำยังไงกุศลจิตจะเกิดขึ้นหนาแน่นเนี่ยนะประคับประคองตนไม่ให้เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและพบต่อๆไปและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดไปในวะะัฏฏะถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไปคบกับใครโดยมากก็ไปคบมิจฉาทิฏฐิดีไม่ดีไปเป็นอาจารย์สอนมิจฉาทิฏฐิซะเองเลยเนี่ยนะจะเป็นยังไงเข้านี่นะทีนี้ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะจะไปไหน ถ้าเป็นมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาจะไปไหนมิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาอาชีวามิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณนาะมิจฉาวิมุติไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิเศษนะพะนั้นจะต้องพยายามสั่งสมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเอาไว้ให้ดีการฟังธรรมการเรียนพระธรรมการคิดพระธรรมเนี่ยคือการสั่งสมสัมมาทิฏฐิ มันเราต้องพยายามที่จะส่องเสพใจของเราให้ได้ยินพุทธพจน์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้การฟังพุทธพจน์คือการชำระทิฐินนะเพราะว่าพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฐิเราฟังตามเราฟังไปบ่อยๆเราก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นความเข้าใจนั่นแหละเป็นสัมมาทิฐิสัมมาทิฏฐิเหล่านี้แหละจะประคับประคองให้เราได้เจริญกายะสุจิตละกายะทุจิต ให้เราได้เจริญว่าจีสุจริญละว่าจีทุจริญทาให้ละมะโนทุจริญเจริญมโนสุจริตชํ่ระกุศลกรรมบดให้งอกงามมันเหตุที่ดีก็จะได้สร้างเหตุไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสร้างเหตุแห่งความสุขและความเจริญต่อๆไปแต่ถ้าเราสะสมมิจฉาทิฏฐิเอาไว้ก็ถือว่าอันตรายมากเลยนะเพราะเรารู้ได้ยังไงว่าเรานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะการฟังพระสูตรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องชํ่ระ ทิฏฐิของเราเป็นอย่างดีถ้าสูตรนี้เราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจผิดแต่ถ้าสูตรไหนเรามีความเห็นตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าไม่ชอบวิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็อันตรายเนี่ยนะก็อันตรายพระคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็ไปไหนนรกกระเดราชานเนี่ยนะก่อนไปเห็นมดเนี่ยเอเยอะเออโห้หนักใจมากเลยนะมดเนี่ยมันขบวนเลยนะมดพวกนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดเนี่ยจะมีแผ่นดินที่ไหนให้อยู่แบบนั้น เยอะมากเลยยุงก็เหมือนกันแมลงก็เหมือนกันถ้าถามว่าสาวต้นเหตุมาจากไหนก็จากทิฏฐิแล้วทุกคนก็ไม่คิดหรอกว่าทิฏฐิของตัวจะพาไปนรกนนะทุกคนก็จะคิดว่าความเห็นของฉันเนี่ยจะพาฉันไปสู่นิพพานกันทั้งนั้นคิดไหมว่าพวกเรากําลังเดินไปหาความทุกข์ไม่เราคิดว่าทุกคนกําลังเดินไปหาความสุขรถทุกคันที่อยู่บนถนนเขาคิดจะไปหาความสุขกันทั้งนั้นแต่เจอความสุขจริงๆสักกี่คนนั้นปัญหาสําคัญว่าเข้าใจไหมไอ้ความสุขมันคืออะไร นะความสุขนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษความสุขนั้นให้โทษในปัจจุบันหรือว่าให้สุขในปัจจุบันให้ทุกข์ในปัจจุบั น, ห, น, จจบนหรือให้ทุกข์ต่อไปในอนอาคตต้องแยกเหตุแห่งความเจริญความเสือ่อมเมื่อจำแนกแยกแยะได้ดีแล้วก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิกำหนดใจให้ตรงเนี่ยนะตรงตอไหนอย่างนี้อย่างท้าส ก, กามาถามก็คือกาหนดใจว่าปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะน้อมไปเพื่อ พระนิพพานเนี่ยนะซึ่งเป็นความสําเร็จที่ล่วงส่วนหมายคําว่าตั้งจิตตั้งอัตตาสัมมาปณิที่มีความรู้สึกนึกคิดน้อมใจอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจะไปะใจเนี่ยไลไปสู่พระนิพพานสําเร็จเป็นพระอรหันต์มีชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นต้นเนี่ยจะต้องทํำยังไงจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งตรงนั้นท่านพระองค์ก็สอนระดับสูงเลยสอนให้เจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิระดับสูงว่า ขันอายตนะธาตุทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นขันอายตนะทั่วทั้งปวงนั้นไม่ควรยึดว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาก็เท่ากับบอกว่าเธอจงเจริญสติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาก็ดำรงอยู่โดยอสุภเวทนานุปัสสนาก็ดำรงอยู่โดยทุกขานุปัสสนาเนี่ยนะจิตตานุปัสสนาทั้งหลายก็ดำรงอยู่โดยอั น, นิีจังเนี่ยนะ แล้วก็ทำอนุปัสนาทั้งหลายก็คือดํารงอยู่โดยการเจริญโพูดชงเนี่ยเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้เนี่ยนะเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้ก็เจริญอนุปัสนาทั้งหลายในเวทนาเป็นต้นมันก็สามารถที่จะตรัสรู้ในคุณธรรมชั้นสูงได้มันถ้าหากว่าเราไม่ตั้งจิตเนี่ยนะกำหนดทิศ ท, ทางของความคิดให้ดีๆเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายที่จะพาไปนรกไม่ใช่ที่ไหนนรกไม่มีใครมาสาบแช่งให้เราตกนรกได้แล้วก็ไม่มีใครมาให้พอให้เราขึ้นสวรรค์สำเร็จความคิดของเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราควรจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็ถามใจเรานี่แหละเนี่ยนะก็ถามว่าถ้าเราคิดตามพระพุทธเจ้า มันก็แนวโน้มว่ามันมาตรฐานบอกเอาทําไมเราจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพาเราปลอดภัยก็ดีสิพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานไปแล้วสาวกของพระองค์ก็ได้ดีหมดถ้าเราคิดตามแนวทางตามหนทางของพระองค์เราก็พ้นทุกข์อะไรแนวทางคนอืน่นก็ต้องคิดว่าไอ้คนนั้นเขาดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงก็ดีไปถ้าดีไม่จริงก็ก็ดีสั้นเลก็ดีก็แล้วดีลําบากถ้าดีแบบนั้นท่า น, นต้องระวังว่าเอาทิฏฐิของเราเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมเพราะว่าอย่าง ยุคหลังๆรุ่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะโอกาสที่จะศึกษามันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเช่นโอกาสของชีวิตมันก็ลดน้อยถอยลงไปเวลาชีวิตมันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วละ่ะอันหนึ่งแล้วต่อไปสองอายุพระศาสนาก็เสื่อมน้อยถอยลงไปเราเคยได้ยินไหมอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวครา ว, าวเป็นต้นมีข้อมูลข่าวสารตอนนี้พระศาสนาขาขึ้นกําลังเจริญทุกอย่างมีไหม ไม่เหลือแล้วตรงนั้นกระบนจะตายแล้วไม่จะตายไม่ตายแล้วจะหมดอยู่แล้วเนะนี่ยนะเมื่อกี้ไปอ่านดูคอลัมน์เนี่ยบอกบาลีจะหมดจะแทบจะศูนย์พันแล้วอาน น, อนก็จะหมดอันนี้ก็จะไม่เหลือพระไตรปิฎกก็เก็บเข้าตู้ไม่อ่านกันแล้วอ่านแล้วอ่านหนังสือไม่ออกหรือไง <c oughs> ก็เลยมันก็เลยเป็นลักษณะขาลงเมื่อขาลงแล้วทุกอย่างก็ทุกคนก็จะมาช่วยบนเสื่อมหมดแล้วเสื่อมหมดแล้วถามยิงๆใจเรานี่มันเสื่อมจากาศาสนาแค่ไหนแล้ะ จริงอะ่ะมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าสมัยก่อนเขาก็บรรลุมักผลกันเยอะแยะไอ้พวกเราก็อยู่อย่างเก่านั่นแหละเนี่ยนะเขาก็เจริญเอาเจริญเอาบรรลุ ก, กันทีแล้วเป็นโกรธเยอะแยะไปหมดเลยของพวกเราก็อยู่ตามเดิมอะ่ะแล้วคนอื่นเขาเสื่อมอนะ่ะก็เรื่องของคนอื่นแล้วเราอะ่ะสำคัญบอกโอ้ยเห็นแก่ตัวบอกว่าตัวก็เอาให้รอดก่อนเถอะเนี่ยนะถ้าเอาตัวรอดก่อนแล้วค่อยคนอื่นมันไม่ยากหรอกถ้าตัวเองก็อดอยากปากแห้งไม่มีจะกินแล้วคิดถึงแต่ปากท้องคนอื่นอย่างว่าสําเร็จไหม ยากตัวเองก็จะไปนรกและคิดถึงคนอื่นที่จะไปนรกเหมือนกันเนี่ยช่วยใครพ้นนรกบ้างไหม ย, ยากช่วยตัวก่อนแล้วจะช่วยผู้อื่นได้คนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินจึงจะช่วยเรื่องการเงินแก่ผู้อื่นคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องปากท้องจึงจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องให้แก่คนอื่นได้ฉันใดคนที่ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติตรัสรู้ธรรมนั่นแหละจึงจะพอช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่พวกเราทั้งหลายช่วยตัวเองให้หยัดเสื่อมจาก พระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็ขอให้ทุกท่านช่วยตัวเองประสบความสำเร็จได้ตรัสรูท้ทมตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการเธอเ น, นะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้